ในฐานะชาวพุทธพระพุทธเจ้าทรงเป็นอะไรหลายอย่างสำหรับเราทรงเป็นทั้งสาระอันประเสริฐเป็นพระบรมศาสดาแล้วก็อย่างหนึ่งที่พระองค์เป็นกับเราก็คือเป็นกัลยาณมิต <c oughs> รกัลยาณมิตรนี่ให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิด แแต่ว่าความใกล้ชิดเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงความใกล้ชิดที่รับรู้ด้วยตาแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในทางกายก็อาจจะไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกับพระองค์ หรือว่าพระองค์ก็จะไม่ได้เป็นกายามิตรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้อย่างพระวักกลิเนี่ยพระวักกลินี่ก็อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากนะเพราะว่ามีความหลงไหลในพระองค์พระองค์เสด็จไปไหนพระวักกลิก็ตามเรียกว่าจนแทบจะจับชายชีวอนก็ได้แต่ว่า ในกรณีอย่างนี้นี่<ม>ก็เรียกว่าพระวักกลิยังไม่ได้ถือเอาพระรูปเจ้าเป็นกัลยาณมิตรอย่างถูกต้องเพราะว่าเห็นแต่รูปกายของพระองค์อาจจะฟังเสียงที่ภายรอบของพระองค์แล้วก็เคลิ้มหลงไหลแต่ว่าไม่ได้เปิดใจที่จะปฏิบัติตามเลยพระวักกลิศก็จึงถูกพระ เ, เจ้านะ ตักเตือนแล้วก็เป็นที่มาของอพุทธพจน์ที่ว่ า, าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือถ้าเห็นแต่เพียงรูปกายยังไม่ยังไม่เรียกว่าเห็นพระองค์แล้วก็ก็เรียกว่ายัางไม่ได้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง ถ้าเป็นกรณีมิตอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือว่าน้อมนําเอาคําสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความเจริญก้าวหน้าในอรอยิยมรรคมีองค์แปดนถ้าหากว่าเห็นพระองค์ได้ยินได้ฟังพระองค์แต่ว่าไม่มีการปฏิบัติให้เจริญในองค์มรรคแล้วนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้ถือเอาพระองค์ เป็นกระะนารยนตมิตรอย่างแท้จริงอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับเรานะเพราะว่าพวกเรานี้ก็ไม่มีโ อ, อกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าแบบที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าตัวเป็นๆ เ, เพราะว่าพระองค์ก็ได้เสด็จดำขันธปรินิพพานไปนานแล้วเราเห็นได้อย่างมากก็เพียงแค่ สิ่งที่เป็นตัวแทนเช่นพระบุทรลูกหรือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือวาบัลลังก์ที่พระองค์ที่สร้างขึ้นตรงจุดที่พระเจ้าได้เสด็จตัดสรุปพระสัมมาสัมพธิญาณแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นรูปกายของพระองค์นะแต่ว่าพระองค์ก็สามารถจะเป็นกัลยาณมิตรของเราได้ถ้าหากว่าเราได้ฟัง ได้ น, น้อมนำเอาคําสอนพระองค์เนี่ยมาปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าในอริยมรรคมีองค์แนะข้อความเป็นการเรียนมิสำคัญหรือว่ามันอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ที่ว่าได้นําได้เกิดให้เกิดได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเราไหมได้มีการ ป, ปฏิบัตินะที่เป็นไปในทาง เกื้อกูลต่อธรรมะหรือเปล่าในอีกด้านหนึ่งพระพุทธองค์ก็เป็นสารณะของเรานะอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเป็นสารณะอย่างแท้จริงได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะกราบไหว้บูชาเอาดอกไม้ทูบเทียนมาสักการะอันนั้นยังไม่ใช่เรียกว่าถือเอาพระพองค์เป็นสารณะอย่างแท้จริงต่อเมื่อเราได้ น้อมนำคำสอนของพระองค์จงกระทั่งเกิดความเข้าใจในเรื่องอริยสัจอย่างที่เรามีบทสวดบทหนึ่งนะที่เราก็สวดเป็นประจำเหมือนกันเขมาเขมาสรารณะิปิกาคาถาในในบทสวดนั่นก็มีตอนหนึ่งอ่กล่าวว่าผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเป็นอริยสัจคือความความจริงอันประเสรศิฐ นั่นแหละเป็นสารณะเกษมนั่นเป็นสารณะสูงสุดผู้ใดอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกท้งปวงได้พวกเราที่นับถือเอาพระรัตนตรัยโดยพระพุทธเจ้านี่เป็นสารณะเนี่ยตาบใดที่เรายังไม่เห็นอริยสัจไม่มีความเข้าใจในอริยสัจสีเนี่ยก็ยังเรียกว่าเราไม่ได้ถือเอาพระองค์เป็นสารณะอย่างแท้จริง ถึงแม้จะกราบไหว้ทุกวันทุกวันถึงแม้จะสวดมนต์ทุกวันทุกวันนะเอาดอกไม้ถูกเทียนเอาพวงมาลัยมาสักการะพระองค์หรือพระพุทธรูปยังก็ไม่เรียกว่าเป็นสารณะนะยังไม่ได้เป็นการนับถือนับถือพระองเป็นสารณะอย่างแท้จริงต้องเกิดความเข้าใจในอริยสัจ4ี่ประการนี่แหละนะถึงจะเรียกว่าได้ นับเอาพระองค์เป็นสารณะให้คำว่าสารณะก็ดีกรยนมิกก็ดีเนี่ยให้เข้าใจนะว่ามันหมายถึงอะไรมันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเรานะทั้งในทางความคิดจิตใจทั้งในทางคำพูดและการกระทำนะโดยเพราะจุดเริ่มต้นก็คือความเข้าใจในอริยสัจสีนะ่ ความเข้าใจในอริยสัจสี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็หลายคนก็ตอบได้นะว่าอริยสัจสี่คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะอันนั้นก็เป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะความเข้าใจเพียงเท่านี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่หนึ่งในสามนะของสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าญาณ ยานในยานหรือความรู้เกี่ยวกับอริสัตย์สี่เนี่ยมันมี3ประการมีสาประเภทนะประเภทแรกคือสัตตยานสัตตยานก็คือยาหรือความรู้นะเกี่ยวกับอริสัต4ก็คือรู้ว่าสามารถบอกได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรนะอันนี้เรียกว่าสัตยานแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลืมยาอีกสองไปยาอีกสองคือ ก, กิจยานและกัตตยาน กิจยานคืออะไรก็คือความรู้เกี่ยวกับกิจที่พึงทําในอริสัต4นะกิจที่พึงทำนี่ก็ได้แก่อะไรบ้างนะก็คือทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะทุกเป็สิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะไอ้สิ่งที่ต้องละนั้นคือสมุทัยสมุทัยคือสิ่งที่ต้องละเหตุแห่งทุกข์คือสิ่งที่ต้องละส่วนนิโรธจุดสิ่งที่ทําให้แจ้งคือทําให้เกิดขึ้น มักก็คือสิ่งที่ต้องทําให้มีมากขึ้นหรือภาวนาภาวนาวแปลว่าทําให้มากขึ้นนะอันนี้เรียกว่ากิจยานตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลึกเอาท่องเอาแล้วสัตญา น, นี้อาจจะอาศัยสัญญานะเหมือนกับที่เราสอบตอบในข้อสอบตอบในห้องสอบเนี่ยสอบนักธรรมแล้วก็ตอบได้ว่าไริสัทสี่มีอะไรบ้างนะทุก ส, สมุทัยนี่รถครับนะ ทุกคืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมากคืออะไรตอบได้อันนี้เรียกว่าสัจจยานแต่ก็เป็นสัตจยานขั้นต้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แล้วว่าเราทุกเนี่ยเราควรเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรไม่ใช่แค่รู้เฉยนะแต่ว่าปฏิบัติ ด, ด้วยนะแล้วถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนก็เรียกว่ากัตตยานก็คือรู้ว่ารู้แล้วว่าได้ทําแล้ว นะส่วนใหญ่เนี่ยยังไปไม่ถึงหลักกัตติยานนะนะเพราะว่าถ้าไปถึงนี่ก็เรียกว่าบรรลุธรรมแล้วแต่อย่างน้อยขอให้เรากล่าวจากสัตติยานไปสู่กิจยานก็คือว่าไม่ใช่แค่รู้แบบนกแก้วนกขุนทองว่าอริสัตถีมีอะไรเท่านั้นแต่ว่าได้ลงมือกระทํากับอริยสัตถ์แต่ละข้อแต่ละข้อเอาแค่ข้อแรกก่อนนะก็พอแล้วนะเอาข้อแรกเป็นจุดเริ่มตน้นคือทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะ ไปสต้องรู้นะหรือกําหนดรู้นะในที่นี้ฉันใช้คาปริญญานะครับว่าปริญญาเมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นการรู้แต่ไม่ใช่รู้ในหัวสมองนะแต่ว่ารู้ด้วยจิตด้วยใจทีเดียวรู้ว่ารู้ทุกเนี่ยรู้อย่างไรนะถ้าพูดอย่างถึงที่สุดนะก็คือรู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นะหรือรู้ว่า ขันทั้งห้านี่เป็นตัวทุกข์นะอันนี้คือรู้แบบถึงที่สุดเลยรู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หรือว่ารู้ว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะมันสำคัญอย่างไรเพราะว่าถ้ารู้ว่าขันทั้งขันเป็นตัวทุกข์หรือว่ารู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เนี่ยก็จะเกิดความเหนื่อยหน่ายนะอย่างที่เราได้สาธยายกันบ่อยๆเนี่ย เมื่อใดบุคคลเห็นชอบด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมดจรดนะรู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์รู้ว่าสังขาทงงทราขาทั้งหาเป็นทุกข์หรือเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเหนื่อยหน่ายแต่ก่อนเนี่ยยังหลงในรูปนะไอ้อย่างอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ นามเนี่ยรูปเวสนาสนาสงายวิญญาณเป็นอย่างไรอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยหลงน่ยไปหลงในรูปนะทั้งรูปของตัวแล้วก็รูปที่เป็นวัตถุสิ่งของเห็นว่าไปเป็นของดีของของวิเศษนะหรือว่าของที่จะให้ความสุขแก่เราได้เช่นทรัพย์สมบัตินะเสื้อผ้านะหรือว่าหน้าตาก็ไปปรุงแต่งกัมนมากหลงในรูปร่างหน้าตาของตัวเองหลงในรูปร่างหน้าตาของคนอื่น นะอันนี้ก็เรียกว่ายัางไม่เห็นทุกข์นะคื อ, อยังไม่เห็นว่ารูปเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นตัวทุกข์เห็นรู้ว่าเป็นตัวทุกข์นี่ไหมครับว่าไงหมายความว่าเห็นว่ามันมีโทษนะเช่นมันไม่จีรังยั่งยืนนะแล้วก็มันทําให้เกิดทุกข์เกิดความหยิบคั้นแก่ผู้ที่ยึดถือไปยึดถือมันเมื่อไหร่นะก็จะรู้สึกเป็นทุกข์อันนี้ทุกตรงนี้คือทุกขเวทนาละ เมื่อได้เมื่อเรายังมีอวิชชานะยังไม่เห็นว่ารูปเป็นตัวทุก์เราไปยึดมันเข้านะเราก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในที่สุดเพราะเมื่อมันแปลเปลี่ยนไปนะหรือถึงแม้ยังไม่แปลเปลี่ยนนะเพียงแค่ไปยึดเอาไว้ก็ทุกข์แล้วคือหนักใจหนักใจว่าจะรักษารูปนี้ให้มันสวยให้มันหลอ่อให้มันมีสุขภาพดีได้อย่างไรหนักใจที่ต้องรักษาทรัพย์สมบัติกลัวคนขโมย ถึงแม้ว่ามันยังไม่เสื่อมไปเลยยังไม่มีใครเอาไปเลยแต่ก็หนักใจจอดรถไว้ที่ไหนก็คอยกังวลอยู่นั่นแหละว่ามันจะมีคนแอบเอารถเราไปไหมนะถือโทรศรัพท์เอาไว้วางโทรศรัพท์เอาไว้แล้วก็ไปทำธุระก็คอยกังวล น, นัล่นแหละว่าจะมีใครเห็นโทรศรัพท์แล้วหยิบโทรศรัพท์เราไปไหมอันนี้แหละทุกข์แล้วล่ะเเป็นทุกขเวทนานะ และที่เป็นทุกขเวทนาเพราะไปยึดกับสิ่งที่มันเป็นทุก ข, ขังหรือว่าสิ่งที่มันมีความไม่จีรังมีความแปรปรวนมีความเสื่อมมีความสลายไปเป็นธรรมดาไอเวทนาก็เหมือนกันตัวตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะหลายคนก็ไปยึดกับสุขเวทนาอ่าโดยที่ไม่ตระหนักว่าสุขเวทนาเองเนี่ยก็เป็นตัวทุกนะสุขเวทนาก็เป็นตัวทุกคือว่ามันไม่จรัง มันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นที่ต้องเสื่อมสลายไปคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความยินดีความดีใจความสงบนะที่เราประสบในระหว่างการปฏิบัติหรือในระหว่างที่เราเสพนะอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะพวกเนี้ยสุขเวทนาเนี้ยมันก็เป็นตัวทุกข์นะก็คือมันไม่จีรังถ้าไปยึดก็เป็นถ้าไปยึดเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เลยนะก็คือเกิดทุกขเวทนา คอยกังวลว่ามันจะดับไปไหมในขณะที่กำลังสนุกสนานก็คอยก็อีกด้านนึงก็สึกว่าถ้า ง, งานเลี้ยงจบความสนุกก็หมดไปเราก็ต้องกลับไปสู่ความเบื่อใหม่แค่คิดแบบนี้มันก็หายสนุกไปแล้ะมันก็กลายเป็นทุกข์เข้าไปละนะสุขเวทนาก็เป็นตัวทุกข์นะคนก็ไม่ค่อยได้มองเห็นตรงนี้เท่าไหร่เพราะนั้นก็เลยไปยึดในสุขเวทนาไปยึดกับความอร่อย ที่ได้รับเวลากินอาหารไปยึดกับไปยึดกับรสชาติของเพลงหรือความสนุกความบันเทิงรงๆมเมื่อได้ฟังเพลงไม่ได้ดูหนังแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่แบบนั้นไปตลอดแต่มันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดพอมันหายไปก็เสียดายเสียใจอะไรอววร น, นี่ก็ทุกแล้วนะแต่ก็นี่เป็นทุกขเวทนานะไอตัวทุกนี่มันไม่ใช่ทุกขเวทนานะแต่มันหมายถึงสภาวะทุก เขาเรียกว่าสังขารทุกขตาก็คือความทุกข์ที่เกิดกับสังขารทุกชนิดไม่ว่าจะมีชีวิตไม่มีชีวิตเป็นพ่อไม่เห็นความทุกข์นะเป็นพ่อไม่รู้ทุกข์แบบนี้แหละนะจึงวนเวียนอยู่ในความทุกข์ที่เราทุกเขเวทนาถนะ้พูดแบบฟันธงนะคือว่าทุกขเพราะไม่ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นะ ผู้คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งตัวเราเนี่ยทุกข์เพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไอ้ทุกตัวแรกนี่คือทุกขเวทนานะส่วนทุกตัวหลังเนี่ยก็คือสภาวะทุกข์นะที่อ่าเป็นโทษที่ต้องเสื่อมต้องดับต้องสลายไปบางทีเราก็ต้องแยกแยกให้ถูกนะว่าเวลาพูดว่าทุกข์เนี่ยมันหมายถึงทุกขอะไรหมายถึงทุกขเวทนาหรือสภาวะทุกขหรือว่า ความเป็นทุกข์ที่เกิดกับสรรพสิ่งที่เป็นตัวบีบคั้นทําให้เสื่อมสลายไปที่ทุจริตตัด ว, ว่าทุกข์ป็นสิง่งต้องรู้เนี่ยนะคือรู้ทุกข์เนี่ยนะถึงที่สุดคือรู้ว่าสิ่งต้องปวงมันเป็นทุกข์สิ่งนั่งปวงนี่ก็หนีไม่พ้นขันท่านะรูปพัฒนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณที่เราสวดทุกวันสาธัยทุกวันนะว่าดุย่อุปทานขนันธ์นะเป็นตัวทุกข์อันเนี่ย มันต้องเห็นตรงนี้ส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็นนะเห็นแต่เพียงแค่ว่าเออแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นะหรือว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์พัดผาจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งนัไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์อันเนี้ยทุกขเวทนาแต่แม้กันนั้นเนี่ยเวลาเกิดทุกขเวทนาส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าทุกขเวทนากาลังเกิดขึ้นหรือเวลามีอารมณ์เช่นอารมณ์ที่มันบีบคั้นให้ใจเป็นทุกข์เนี่ย นะความเบื่อความเศร้าอารมณ์พวกนี้นะมันบีบคั้นใจให้เกิดให้เกิดทุกข์ขึ้นมาคือเกิดทุกขเวทนาทางใจก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธนะเบื่อไม่รู้ว่าเบือ่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยใจมันไม่รู้อยู่ไหนเช่นเวลาเราโกรธใจเราก็ไปอยู่กับสิ่งที่ทําให้เราโกรธคนที่ทําให้เราไม่พอใจไม่ได้กลับมาดูใจว่าตอนนั้นกําลังถูกเผาลนด้วยความโกรธเวลากังวลเวลากังวล ในเรื่องทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นความกังวลว่ามันมันบีบคั้นใจอย่างไรมันทําให้อึดอัดอย่างไรเพราะใจมัวไปจดจ้องอยู่กับรถหรือว่ากระเป๋าเงินหรือว่าโทรศัพท์ที่เผลอวางทิ้งเอาไว้นะในห้องนอนใจมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วคอยกังวลว่าจะมีใครเอาไปไหมมาไม่กลับมาดูกลับมารับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ในใจตอนนั้นว่ากำลังมีความหนักอึ้องมีความรู้สึกบีบคั้นอึดอัดอย่างไรบ้างนี่จึงเรียกว่าไม่รู้ทุกข์แต่เป็นความไม่รู้ทุกข์ในระดับต้นๆ น, นะคือไม่รู้ทุกขเวทนาที่มันบีบคั้นใจนะการรู้ทุกข์นะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องรู้ตรงนี้นะไม่ใช่แค่รู้ว่าทุกข์คืออะไรสาธยายได้วาทุกขมีส2บสองอาการ นะแก่เป็นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์อันนี้ลำดับได้สาธยายได้อันนี้ไม่พอนะมันเป็นแค่ความรู้จำนกแก้วนกขุนทองในขั้นปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องกิตใจยานละ ก, ก็คือว่าเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจนะคือทุกขเวทนานั่นแหละไม่ว่าเพราะความโกรธเพราะความเศร้าความรู้สึกผิดความ ครับแคนก็เห็นนะก็เห็นนะว่ามันเกิดขึ้นในใจเห็นอย่างนี้ต้องใช้สตินะมีสติกลับมาดูสติคือตาในกลับมาดูเห็นความเป็นความรู้สึกรุ่มร้อนนะเห็นความรุ่มร้อนนะรอบรู้ถึงความรุ่มร้อนความหนักอกความบีบขันความรู้สึกถูกกลีดแทงนะอย่างน้อยๆต้องรู้ทุก แบบนี้นะอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนารู้ด้วยสตินะเห็นด้วยสติเพียงแค่รู้ทุกระดับนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้ทุกบันเทาแล้ะมันก็จะดับไปนะไ อ, คอ้ความโกรธความเศร้าโศกความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็จะเลือนหายไปเมื่อเรามีสติรู้คือเห็นมันนะก็ช่วยทําให้ทุกเนี่ยมันาหายไปเพียงแค่มีสติรู้ทันไม่ต้องไปทําอะไรกับมัน ไม่ต้องไปกดข่มมันนะแต่ว่าถ้าสติยังอ่อนก็มีตัวช่วยหาตัวช่วยก็ได้เช่นเวลาโกรธก็จะนึกถึงว่าเออความโกรธมันเป็นมันเป็นโทษเป็นภัยอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะสำหรับการจัด ก, กาวความโกรธคือหมอเห็นว่าความโกรธนี่มันทำลายบัรนทอน ร, ร่างกายเราอย่างไรมันสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองอย่างไรบ้างพอเห็นอย่างนี้เนี่ย มันก็ทําให้จิตเนี่ยไม่ค่อยๆคลายความโกรธหรือว่าเอาตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็เช่นเมตตาแผ่เมตตาโกรธทายก็แผ่เมตตาให้กับเขานึกถึงเขาด้วยความสึกที่มีปรารถนาดีเมตตาเป็นตัวช่วยบรรเทาความโกรธไดนะ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาช่วยสติในการที่จะมารู้ทันความโกรธแล้วทาให้ความโกรธมันเลือนหายไป อันนี้ก็เรียกว่ารู้ทุกแต่เหมือนกันนะคือรู้ทุกโกวธธนานะเมื่อมันเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่าจะรู้ง่ายๆเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นทีไรก็หลงจมเข้าไปในความทุกนั้นไม่เห็นหรอกไม่รู้หรอกนะเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะเห็นบ้านได้อย่างไรมันจะรู้จัก บ, บ้านดีได้อย่างไรมันต้องออกมาก็จะเห็นอาคารเห็นลักษณะนะรูปร่างของอาคารหรือบ้านนะ สติทําให้จิตมันออกมาจากความทุกข์หรือทุกขเวทนาแล้วก็มาเห็นนะอ๋อพอเห็นแล้วนี่ให้ความทุกข์มันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเวลาเราเมีความโกรธแล้วเราไม่ไม่รู้ทันความโกรธเนี่ยจมเข้าไปในความโกรธก็เปรียบได้กับเราอยู่กลางกองไฟกองไฟมันก็เผากายเราแต่พอเราเดินก้าวเดืเอออกมาจากกองไฟกองไฟยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่ทุกข์ละเราไม่รู้สึกร้อนละ ยิ่งอยู่ห่างจากกองไฟมากเท่าไหร่นะความร้อนก็จะบรรเทาลงและพอไฟนี่ไม่มีใครไปเติมเชือ้อเติมฟืนให้มันมันก็ดับไปเองงั้นเพียงแค่เห็นความโกรธในความโกรธก็ดับแล้วนะเพราะว่าไม่มีการไปปรุงแต่งมันต่อไปความโกรธมันเกิดดับเกิดดับเป็นเป็นขณะขณะเหมือนกับไฟเนี่ยนะไฟไฟนีออนเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับแต่ว่าที่เราเห็นมันสว่างต่อเนื่องเพราะว่ามันเกิดดับถี่มาก แต่ถ้ามันดับแล้วไม่เกิดนะมันก็หายไปกองไฟหรือความโกรธเนี่ยนะมันดับแล้วเราไม่เติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็ไม่เกิดนะมันก็จะเรียกว่าหายไปเลยการมีสติรู้เปรียบสมอการที่เราเดินออกมาจากกองไฟแล้วเราไม่เติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็ดับไปเองมันก็มอดไปเอง อันนี้ว่ารู้ทุกข์ในระดับเบื้องต้นนะในความหมายที่เป็นกิจยานนะไม่ใช่สัตญานสัตญานนี่รู้ทุกข์ไปนานแล้วว่ารทุกข์คืออะไรลําดับได้อย่างที่พูดมาว่ามีสิบเอาการสิบสออาการแต่ว่าในขั้นกิจยานมันเป็นขั้นการปฏิบัติละคือพอมีทุกข์เนี่ยก็รู้รู้ทุกข์เกิดขึ้นอันนี้คือรู้ทุกข์เบื้องต้นนะแต่รู้ทุกข์อย่างที่สุดนะก็คือรู้ว่าโอ้ยสังขารทั้งมวลเป็นทุกข์รู้ว่าขานัขานธ์ทั้งห้เป็นตัวทุกข์ ตรงนี้ไม่ใช่ทุกเวทนาแล้วนะมันเป็นสภาวะทุกข์หรือว่าก็ เ, าเรียกว่าสังขารทุกขาตาก็คือว่าสภาวะที่เป็นโทษที่บีบคัน้นที่พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลยถ้ารู้ทุกในความหมายที่มันเป็นสภาวะทุกขเนี่ยนะมันปล่อยเลยนะมันปล่อยเลยมันปล่อยทุกอย่างมันเพราะมันเหนื่อยหน่ายอย่างที่ได้พูดเมื่อกี้นี่นะเนี่ยเมื่อได้เห็นชอบด้วยปัญญาว่าสังขารทุกเป็นทุก เมือนั้นย่อมเหนืยนานในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนะที่หลงพ่อและพ่อหลงแต่ก่อนพ่อทุกข์นู่นมาเป็นสุขหลงว่ามันเป็นสุขหรือว่าหลงว่ามันจะให้ความสุขกับเราได้หลงว่าเป็นของดีและพอหลงแล้วมันก็เกิดความยึดน ม, มาเป็นเราเป็นของเราขึ้นมานะอะไรที่เป็นของดีเราก็จะยึดยึดเป็นของเรานะแต่เพราะความโง่นะบางทีของไม่ดีก็ยึดนะเช่นความเกลดก็ยึดเอาไว้ ความรู้สึกผิดก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางผ่านไปสิบปีย0ิบปีก็ยังไม่หายรู้สึกผิดต่อพ่อแม่ต่อคนรักที่ได้เคยทำไว้ในวันนั้นวันนี้วันนั้นวันโน้ตเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมันก็ไม่ดีนะมันเป็นของที่ทิ่มแทงใจแต่ก็ยังยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยบางคนเราก็แปลกนะไอ้ของดีไอ้ของที่คิดว่าให้ความสุขกับเราเราไปหลงไปยึดมันก็เออก็ยังพอทํานาเข้าใจได้ แต่สิ่งที่มันให้ความทุกข์กับเราก็ยังไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราศัตรูเนี่ยนะศัตรูนีงนะก็ไม่ใช่ของดีนะแต่ทําไมเราชอบเรียกว่าศัตรูของเรานะ่ไอ้นี่มันเป็นศัตรูของกูนะมันเป็นในเมื่อมันไม่ดีแล้วก็ต้องปล่อยเลยจะมายึดเป็นของกูเป็นของเราทําไมในเมื่อของไม่ดียังมายึดเลยนะคําพูดคําจาที่ คนต่อว่าดาทอพูดกระทบกระเทียบเราก็ยังยึดเอาไว้จดจําไม่หายก็นี่แหละเพราะนั้นเนี่ยก็ยังต้องทุกข์ต่อไปเพราะความหลงนะไอ้ของไม่ดีก็ไปยึดหรือของที่คิดว่าดีก็ยังไปยึดไว้โดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ดีจริงมันก็เป็นเป็นเหมือนของหนักเป็นเหมือนผ่านที่ยังแดงอยู่งั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะมันปล่อยเลยนะ มันปล่อยเลยเพราะเมื่อปล่อยเสร็จก็พ้นทุกนะเมื่อพ้นทุกก็รู้ว่าพ้นทุกอันนี้ก็เรียกว่ากัตตยานเกิดลนะแต่ว่ากว่าเราจะมาถึงตรงนี้นี่ก็คงอีกนานแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องทําที่กิจยานก่อนนะตั้งแต่รู้ทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆที่ครอบงาใจจงกระทั่งรู้ทีแรกรู้แบบนี้รู้ด้วยสติ ต่อไปก็เกิดปัญญาขึ้นจนทั่งเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตรงนั้นแหละมันก็จะปล่อยก็จะพ้นทุกข์เลยที่หลวงพ่อเขียนบันทึกเอาไว้เขียนบันทึกไว้ว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เนี่ยนะก็คืออันนี้นะก็คือเห็นว่าโอสขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยทุกข์ไปหมดเลยแม้กระทั่งรูปกายอ่ารูปและนามนะที่อ่อ ที่มีอยู่ตอนนี้นะลูกคือกายที่ครองอยู่ตอนนี้แล้วก็นามคือใจนะที่มีอยู่ตอนนี้ที่เราเรียกว่าเป็นเราเป็นของเราที่จริงก็ทุกทุกทั้งนั้นพอทุกทั้งนั้นก็ปล่อยไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปมันก็อิสระก็เป็นความสงบเย็นนะหลวงพ่อจึงเขียนว่าเห็นทุกเห็นทุกก็พ้นทุกนะแต่ว่าทุกในที่นี้เนี่ยมัน ทุกตัวแรกนี่คือเห็นว่ามันเป็นทุกทั้งนั้นนะส่วนพ้นทุกข์เนี่ยนะพ้นทุกข์ทุกตัวหลังเนี่ยคือมันไม่มีทุกขเวทนาทางใจละมันก็เลยแต่ทุกขเวทนาทางกายก็คือต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็สังขารก็ต้องเสื่อมสลายไปนะก็เรียกว่าคืนสังขารคืนหรือทิ้งสังขารทิ้งขันลงไปเมื่อถึงเวลาที่ต้องตายมันก็จบนะนันท่องเขาก็จะให้ดีนะคาว่ารู้ทุกขเนี่ยนะ มันหมายถึงอะไรนะเรากําลังพูดว่ามันหมายถึงสัจญาหรือกิจญาณนะแล้วถ้ากิจญาณเนี่ยมันก็มีหลายระดับตั้งแต่รู้โดยสติเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นจนทั้งรู้โดยปัญญาว่าสัางขารทั้งปวงรวมทั้งที่เราเรียกว่าร่างกายของเราใจของเรานี่ก็ทุกข์เหมือนกันมันก็ปล่อยไม่มีเราไม่มีของอะไรต่อไปอันนั้นแหละถึงจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอาชาเนียก็พภูเกันทอนนี้อกราบพระ